เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวตอนที่152ิโดยดังตริลถามจะมีวิธีสารวจใจตัวเองไหมว่าเรารักใครจริงหรือเปล่าถามใจตัวเองบางวันบอกว่ารักบางวันบอกว่าเฉยเฉยไม่แน่ใจเลยว่าถ้าตอบรับไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นข้างหน้า ตอบตามหลักที่พระพุทธเจ้าประทานไว้นะครับความรักจะเกิดขึ้นได้ด้วยองค์ประกอบหลักสองประการ 1. คือเคยอยู่ร่วมกันในการก่อน 2. คือเกื้อกูลกันในปัจจุบันเมื่อจับหลักอย่างนี้ก็สามารถเทียบเคียงกับภาคสนามได้ง่ายหน่อยคือเมื่อพบคนที่คุณสามารถรักได้ควรจะเกิดอาการต่างๆ ต, ต, ต, ต่อไปนี้ 1. ความรู้สึกคุ้นเคยกันอย่างรวดเร็ว เหมือนรู้จักมักคุ้นอยู่ก่อนและพูดคุยสนิทสนมได้ง่ายเหมือนระบายได้ทุกเรื่องนั่นเป็นวิบากของการอยู่ร่วมกันมานานก่อแรงดึงดูดเข้าหากันอยู่ใกล้แล้วไม่รำคาญแม้เหงาก็อบอุ่นเป็นสุขได้เพียงเมื่อคิดถึงและเท่าที่พบมาต่อให้ท่านนิสัยต่างกันเป็นตรงข้ามเช่นใจร้อนกับใจเย็นมาเจอกันก็ไม่รู้สึกแปลกแยกต่อกัน ขอเพียงมีบุคเพสนิวาสมาช่วยการสำรวจใจด้วยเกณฑ์ข้อนี้อย่างง่ายก็อาจลองจินตนาการดูว่าถ้าต้องไปอยู่กระต๊อบกับใครสักคนแล้วรู้สึกว่ารับได้ไหมเป็นไปได้ไหมหาสนิทใจพอหรือกระทั่งนึกคึ้มคึกคักต่อยอดอยากหนีไปอยู่เกาะตามลำพังสองคนอันนั้นถือว่าผ่านมาตรฐานเบื้องต้น อย่างไรก็ตามความรักที่แท้ต้องการความจริงเป็นเครื่องรับรองไม่ใช่แค่จิตนาการหรือฝันกลางวันเล่นๆหากมีโอกาสร่วมสถานการณ์ลำบากอยู่ในที่ที่ขาดความสุขสบายและยังรู้สึกดีกับการอยู่ร่วมกันได้อันนั้นถือเป็นบทพิสูจน์ครับว่าเคยอยู่ร่วมกันอย่างดีมาอย่างแน่นอน 2. ความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย คืออยากช่วยเหลืออยากดูแลมีความเอาใจใส่โดยไม่ต้องฝืนนั่นเป็นเพราะเหตุที่เคยช่วยเหลือดูแลกันมาก่อนย่อมชวนให้ผูกพันใหญ่ดีเท่าที่พบมาแม้ฝ่ายหนึ่งได้ชื่อว่าเห็นแก่ตัวไม่เอาใครแต่ก็เต็มใจเสียสละให้กับคู่บุญเก่าได้เมื่อคอยเข้าไปดูแลสารทุกสุขดิบก็ได้ชื่อว่าปัจจุบันสร้างเหตุแห่งความรักไว้แล้ว การสำรวจใจตนเองด้วยเกณฑ์ข้อนี้ก็ขอให้รอดูเหตุการณ์จริงวัดใจกันในยามยากหากเขาต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าเล็กหรือใหญ่คุณเต็มใจแค่ไหนประตือรือร้นในการช่วยปัดเป่าเท่ากับหรือยิ่งกว่าปัญหาของตัวเองไหมถ้าจะวัดใจให้สมบูรณ์แบบต้องดูทั้งสองฝ่ายนะครับไม่ใช่ฝ่ายเดียวการอยากอยู่ใกล้อยากดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกัน เป็นเครื่องชี้ชัดว่าร่วมบุญกันมาจริงไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งติดหนี้แค่ข้างเดียวนอกจากนั้นต้องคํานึงด้วยว่าชีวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งเราอาจร่วมชาติร่วมชายคาเป็นคู่ผัวตัวเมียกับใครได้มากกว่าหนึ่งแถมบางรายร่วมได้ทั้งสองเพศฉะนั้นก็อย่าแปลกใจหากคุณปิ๊งและเอาใจใส่ใครต่อใครได้หลายคนโลกเต็มไปด้วยตัวเลือก โดยมีข้อจำกัดทางศิลธรรมว่าต้องเลือกอยู่กับใครคนหนึ่งเพียงคนเดียวฉะนั้นหากต้องการสำรวจใจว่ารักใครที่สุดก็ให้ดูว่าใจคุณอยากเลือกอยู่กับใครมากที่สุดแน่นอนว่าด้วยความจำเป็นบางประการอาจทำให้คุณต้องเลือกอยู่กับคนที่รักน้อยและตัดใจจากคนที่รักมากนั่นก็เป็นเครื่องชี้ได้อย่างหนึ่งว่าแม้ทาบุญร่วมกันมาพอจะให้แสนรัก แต่ก็อาจมีบาปเก่าหรือบาปใหม่บางอย่างมาขวางไว้ไม่ให้สมหวังเข้าทำนองรักมากแต่ไม่อยากอยู่ด้วยนั่นเองอีกประการหนึ่งพบชาติและการเวียนว่ายตายเกิดเป็นเรื่องสลับซับซ้อนผู้มนุษย์เป็นแค่ภาวะหนึ่งที่เราคุ้นเคยแต่ยังมีภาวะอื่นนอกเหนือจากนี้อีกมากมายมหาศาลหญิงชายไม่ได้เคยอยู่ร่วมกันแบบมนุษย์เท่านั้น ยังมีรูปแบบการครองคู่อีกหลายแบบหลายภาวะซึ่งก็อาจกําหนดความรู้สึกต่อกันในปัจจุบันได้อย่างสาคัญยิ่งที่จะกล่าวขอให้ถือเป็นเพียงเกณฑ์คร่าวๆนะครับหากเคยอยู่ร่วมกันมาบนสวรรค์ความรู้สึกรักจะเป็นไปในแบบสูงส่งอยู่ใกล้กันหรืออยู่ร่วมชายคาแล้วมักชวนให้นึกถึงการบุญการกุศล แม้แขกไปใครมาก็รู้สึกถึงกระแสความปลอดโปร่งและเปิดกว้างผิดจากบ้านเรือนธรรมดาการมีน้ำใจเกื้อกูลจะไม่จำกัดเฉพาะในเรือนแต่จะขยายวงกว้างออกไปถึงวัดถึงสถานสังคมสงเคราะห์ถึงบ้านญาติถึงบ้านใกล้เรือนเคียงนอกจากนั้นความซื่อสัตย์ต่อกันยังแตกต่างจากคู่อื่นกล่าวคือต่อให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเคยเจ้าชู้คิดลอกแลกเขวยง่าย เมื่อตีตราสมรสแล้วก็จะเหลือเพียงใจเดียวมั่นคงผิดศีลข้อสายากมากหากเคยอยู่ร่วมกันในแดนเปรตความรู้สึกรักจะเป็นไปในแบบลุ่มๆดอนๆรองดองบ้างขัดแย้งบ้างพักดีบ้างนอกใจบ้างวันหนึ่งรักปานจะกลืนอีกวันหนึ่งเกลียดเข้ากระดูกดำทั้งที่ไม่มีเหตุผลอันสมควร เปรตจำนวนไม่น้อยถือกำเนิดด้วยความผูกพันกันในครั้งมนุษย์เช่นฆ่ากันตายหรือฆ่าตัวตายร่วมกันหรือถูกฆ่าพร้อมกันด้วยความพยาบาทอาฆาตศัตรูความผูกพันอะไรจะส่งผลให้รู้สึกนั่นแฟในทางดีแต่โทสะอันเจืออยู่ในจิตก่อนดับก็ทำให้รุ่มร้อนและรู้สึกต่อกันในทางร้ายเป็นพักๆเอาสุขเอาทุกข์แน่นอนไม่ได้ หากเคยอยู่ร่วมกันในหมู่เดรัจฉานความรู้สึกจะหนักแน่นไปทางเพศรถเข้าหากันแบบหน้ามืดตามมวไม่สนใจเหตุผลและความถูกต้องใดๆจากนั้นภายในเวลาอันสั้นจะเบื่อหน่ายกันและกันอย่างรวดเร็วเบื่อแล้วเบื่อเลยเราวกับไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือคล้ายประทูกเก่าค้างคืนที่ไม่อยากหวนกลับไปแตะต้องอีกทานองเดียวกับสัตว์นอกฤดูผสมพันธุ์ ที่เหมือลืมคู่ของตัวเองไปเลยแทบจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเคยมีอะไรกันมาหากเคยอยู่ร่วมกันในโลกมนุษย์ความรู้สึกรักจะเป็นไปตามพฤติกรรมในครั้งก่อนถ้าโดยมากอยู่อย่างรองดองจะรู้สึกเย็นและอยากคุยกันอย่างมีเหตุผลแต่ถ้าโดยมากอยู่อย่างขัดแยง้งจะรู้สึกร้อนและอยากเอาอารมณ์เข้าว่าหรือหากตลอดชีวิตคิดแต่ในทางซื่อสัตว์ จะรู้สึกเชื่อใจและไม่นึกระแวงแต่หากตลอดชีวิตคิดนอกใจกันเรื่อยๆก็จะเห็นเป็นอื่นและไม่เคยวางใจตอนคลาดสายตาเป็นต้นกล่าวโดยสรุปให้รวบรัดคือถ้าเคยอยู่ด้วยกันเมื่อครั้งเป็นมนุษย์ก็อาจส่งผลได้เท่ากับหรือมากกว่าอยู่ร่วมกันเมื่อครั้งเป็นเทวดาเปรดหรือเดรัจฉานทั้งหมดขึ้นกับว่ากรรมสัมพันธ์ร่วมกันแบบไหน สำหรับภพบของพรมจะมีความเป็นเอกเทศต่างคนต่างอยู่ในฌานไม่คล้องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์และการคลองคู่ส่วนนรกกับภูมิก็เป็นดินแดนเสวยโทษทันเผ็สาเผ็ดร้อนลูกเดียวไม่มีการคลองคู่แต่อาจมีการเสวยโทษร่วมกันไม่มีโอกาสเป็นสุขร่วมกันเลยฉะนั้นจึงต้องตัดผลของการคยอยู่ร่วมกันในภูมิสูงสุดและต่ำสุด อันได้แก่รมและนรกออกไปเสียเนื่องจากเป็นภูมิที่ไม่เอื้อให้เกิดใจผูกพันเยี่ยงคู่ครองเอาเลยไม่ว่าจะเคยอยู่ร่วมกันมาในพบไหนแบบใดเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วในบนัดนี้ก็เป็นโอกาสพัฒนาความรู้สึกด้านดีที่มีต่อกันได้เสมอกล่าวคือจะมีช่องว่างหรือรู้สึกรักมากรักน้อยแค่ไหนก็ตามที ขอเพียงตั้งอธิษฐานร่วมกันหรือตกลงกันโดยวาจาว่าจะออมชอมในทางบุญทางกุศลไม่ขัดใจกันด้วยการทำทานกับทั้งพยายามรักษาศีลให้เสมอกันก็จะช่วยผูกความรู้สึกที่มีต่อกันแบบมนุษย์ชั้นสูงได้ในที่สุดแต่หากขัดใจกันทางธรรมะศรัทธาศา ส, สดาคนละองค์ขัดคอกันตอนทาทานคิดนอกใจไม่ระวังรักษาศีล ไม่พูดจาส่งเสริมปัญญาด้วยเหตุด้วยผลเช่นนี้ต่อให้ครั้งหนึ่งเคยสวยสุขร่วมกันบนสวรรค์ความรู้สึกรักใคร่ก็ต้องพังคลืนลงในวันหนึ่งระหว่างมีชีวิตมนุษย์ร่วมกันนี่เองทุกคนเชื่อผิดผิดหลงยึดจิตและความรู้สึกนึกคิดเป็นของตัวเองพอพบว่าไม่อาจบังคับควบคุมบงการให้รู้สึกนึกคิดตามต้องการจึงเกิดความทุกข์ ความเศร้าวความเหงาความหดหู่ความไม่แน่ใจในอนาคตแท้จริงจิตและความรู้สึกนึกคิดของพวกเราเป็นไปตามการควบคุมของกรรมวิบากทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่ร่วมมือกันปรุงแต่งให้เราคิดนึกกับเพศตรงข้ามไปต่างๆนาน า, นาจะรักหรือไม่รักจะรักมากหรือรักน้อยล้วนต้องรอการอนุญาตจากกฎแห่งกรรมวิบากทั้งสิ้น ที่คุณปิ้งใครแบบฉับพลันทันทีรู้สึกถึงแรงดึงดูดมหาศาลอยากถึงเนื้อถึงตัวกันเดี๋ยวนั้นแท้จริงอาจเป็นแรงส่งของกามในภพเดรัจฉานที่เคยอยู่ร่วมกันมาหาใช่บุญเก่าที่เคยทำร่วมกันไม่ในทางกลับกันแม้วาระแรกอาจรู้สึกไม่ถูกชะตาไม่นึกอยากใกล้ชิดกันเพราะเคยลำบากร่วมกันในภพเปรตแต่ถ้าค่อยๆช่วยเหลือเกื้อกูล ค่อยๆทำดีต่อกันสะสมกรรมสัมพันธ์ด้านสว่างด้านที่เป็นกุศลไปเรื่อยๆในที่สุดก็เปลี่ยนความระคายสัมผัสเป็นสัมผัสที่เยือกเย็นและอ่อนโยนต่อกันได้ครับ